เสทโมจนะคาถาว่าด้วยคาถาที่ทำให้เหงื่อแตก 1. อวิปปวาสะปัญหาปัญหาว่าด้วยการไม่อยู่ปริวาส479ภิกษุทั้งหลายไม่อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายความสนิทชิดเชื้อบางอย่างในบุคคล น, นั้นทำไม่ได้เพราะไม่อยู่ปราดไม่ต้องอาบัด ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วครุพันที่ไม่พึงสลัดไม่พึงแจกอันพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสไวห้าหมวดภิกษุผู้สละใช้สอยไม่ต้องอาบัตปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงบุคคลสิบจำพวก บุคคลที่พึงเว้นส1อ็ดจำพวกภิกษุวหว้ผู้แก่กว่าต้องอาบัติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุไม่ถูกสงลงอุกเขปนียกรรมและมิได้อยู่ปริวาทไม่เป็นผู้ทำลายสงและไม่เป็นผู้ไปเข้ารีดดำรงอยู่ในภูมิของภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกัน ชไหนหนอจึงไม่ทั่วไปแก่สิกขาปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วบุคคลเข้าถึงธรรมสอบถามถึงกุศลที่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่ผู้มีชีวิตมิใช่ผู้ตายมิใช่ผู้ดับท่านผู้รู้ทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นว่าอย่างไร ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วข้าพเจ้าไม่กล่าวถึงอวัยวะเหนือบริเวณรากขวัญขึ้นไปเว้นอวัยวะบริเวณใต้สะดือลงมาภิกษุพึงเป็นปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเป็นปัจจัยได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว ภิกษุสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองไม่ได้ให้สงแสดงพื้นที่เกินขนาดซึ่งเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุสร้างกุดีด้วยการขอเอาเองให้สงแสดงพื้นที่ได้ขนาด เป็นพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัตปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุไม่พยายามอะไรทางกายและไม่พูดกับผู้อื่นทางวาจาแต่ต้องอาบัตหนักซึ่งเป็นมูลแห่งการตัดขาด ปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วสตวัตบุรุษไม่ทำความชั่วอะไรทางกายทางวาจาและแม้ทางใจถูกสงนาสนะแล้วชื่อว่าถูกนาสนะด้วยดีเพราะเหตุไรปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว ภิกษุไม่เจรจากับมนุษย์ไรๆด้วยวาจาและไม่กล่าวถ้อยคากับผู้อื่นต้องอาบัตทางวาจาไม่ต้องอาบัตทางกายปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วสิกขาบททั้งหลายอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพันานาไว้แล้วสังฆาทเศษสี่สิกขาบทภิกษุณีต้องทั้งหมด ด้วยความพยายามครั้งเดียวปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุณีสองรูปอุปสมบทแต่สงฝ่ายเดียวภิกษุรับจีวรจากมือของภิกษุณีสองรูปต้องอาบัดต่างกันปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้วภิกษุสรูป ชวนกันไปลักครุพันสามรูปต้องอาบัติปาราชิกอีกหนึ่งรูปไม่ต้องอาบัติปาราชิกปัญหาข้อนี้ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว